อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ556 1้ิกภิกษุเอาขนเจียมขาวหนึ่งช่างขนเจียมแดงหนึ่งช่างปนแล้วทํา 2. งภิกษุเอาขนเจียมขาวมากกว่าขนเจียมแดงมากกว่าปนแล้วทํา3ภิกษุเอาขนเจียมขาวล้วนขนเจียมแดงล้วนป่นแล้วทํา 4. ่ภิกษุทําเป็นเพดานเครื่องลาดพื้นม่านเปลือกฟูกหรือปลอกหมอน5้ภิกษุวิกลจริต6กภิกษุต้นบัญญัติ ทเวพา่าสิกาบทที่3มจบ